ต่อเรื่องเห็นรูปนาม 2534 นะก็เคยพูดเคยเอามาอธิบายเคยมา มีเวทนาเวทนามีตัณหามี 11 <c oughs> สายว่ามีเพราะ มันมีวิญญาณจึงเกิดนามรูปแล้วก็วนกลับเพราะ ปฏิโลมมานามรูปจึงเกิดวิญญาณเกิดวิญญาณจึงเกิดสังขาร สังขารจะไม่วินิแปลว่ายิ่งหรือก็วิพิเศษหรือพิเศษก็ว่าไม่มีสังขารนี่ ก็ตัยังมีวิญญาณยังมีสังขารอยู่ตลอดเวลาพระอรหันต์ที่ ขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีสังขารที่เรียก สำหรับๆที่เก่งมีๆ ถ้าเริ่มต้นเป็นอวิชชาเป็นสังขารก็เป็น วิญญาณในตัวนี่แหละจิตวิญญาณมโนหรือวิญญาณนี่แหละเป็นประธานในร่างใน มันอยู่ๆมันไม่ใช่ตัวตนจริงมันเป็นแขกๆผู้นั้นกลับ ในคนนี้มีจิตวิญญาณแล้วก็พิสูจน์วิเคราะห์วิจัยแยกแยก จิตเดิมเนี่ยเป็นจิตกิเลสจิตเดิมเนี่ยเป็นจิต อ่านามรูปก็คือรู้ นิมิตมีเครื่องหมายเครื่องหมายให้รู้ รูปร่างอย่างนี้ร่างอย่างนี้นี่เป็นรูปร่างนิมิตน่ะเจาะลงมีบทบาทการงานตรง มีมีอาการมีอารมณ์ที่มีอารมณ์ในอาการให้เราเราก็รู้มันได้ได้โดยการอย่างไรเป็นอาการของความโกรธตัวอัตมาจะทิ้งไว้ก่อน ยังมันก็ย้ายเอออย่างนี้เห็นปั๊บเป็นรูปโฉมเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าโอ้นี่ไมโครโฟน ขัดๆเลยนะเรียกนักบวชก็ไม่ได้นักพรทก็ไม่ได้ จะบอกว่านักธรรมททหาอทธงรหันมอเลยก็อะแล้วๆเลย อันนี้เป็นเครื่องหมายของนักบวชอย่างนี้ กลนหัวกลนคิ้วแล้วก็ใส่ผ้าหน้าของเค้านี่ต้องโอ้ตบแต่งประดับประดาใหญ่โตอ่ะฮะ ตัวดิเกก็ยังหัวรอดทําไมนะเอาล่ะก็ไปเครื่องหมายนะ คลิปนี้น้ำตาลแล้วก็โกนหัวเงี้ยเนี่ยอย่างน้อยได้ออกท่ามาตั้งท่ามีมีเท่านั้นเองก็เป็น ภาษาคําพูดก็เป็นเครื่องเฮ้ยไอ้นี่มีเครื่องหมายแห่งอโศกมาแล้วนี่มันมาพูดนี่ธรรมดาคน นะเป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่งสอให้รู้ว่า นะมีอาการจนกระทั่งถึงขั้นอาการเอาอโศกนี่อย่างเงี้ยอาการเงี้ย อาการนี้อาการของพวกเอ่อลักษณะอาการของพวกเต็นๆ มีอาการลักษณะลักษณะอาการอาการของคุณหญิง เครื่องหมายเป็นนาคเป็นพระเครื่องหมายรูปๆจะไปรู้ของ มันไม่ได้มันอาการโกรธมันที่ตรงนึกออกไหมอาตมาครรมลงไปนี่นี่แหละเอ๊ะมันอาการโกรธมันมันอาการโอ้นี่อาการเกิดโกรธที่ในใจ พระพุทธเจ้าได้พิสูจน์ความจริงด้วยทฤษฎีของท่าน ด้วยอาตมาก็มายืนยันกับพวกเราอาตมาไม่มี เรียนรู้เองตามจนเห็นเองได้บ้างแล้วก็เอามายืน ที่ๆว่าเรียกว่าโลภโกรธไปแล้วก็แยกไปจนกระทั่งว่าฤทธิยะเอ่อ แต่มันก็ไม่ดีแท้มันก็ไม่ดีแท้เช่นปิติน่ะอันนี้ก็ชั้นสูงขึ้นไม่ได้ดีตรงโกรธน่ะโกรธคนนี้แหมโกรธเกลียดซะเกิน เลวยกกําลังบาปยกกําลังมาดีใจในสิ่งที่ ไอ้คนโอ้ดีแล้วตายสมน้ําหน้าดีดีใจแค่แค่แต่ใจเราเนี่ย รู้สึกหมดสบายเหมือนพอใจยินดีแต่เป็นตัวเลวอย่างนี้เป็นต้นนะอาการต่างๆเหล่านี้ อาการของปิติแม้แต่ตัวปิติที่ว่ามันมันเลว นั่นแหละคุณกําลังเกิดดวงตาทิพย์เกิดญาณเกิดรู้รู้กิเลสนี่ ไปทําชั่วทําบาปทําเวรมาขนาดไหนก็มันโอ้โหมัน เห็นจริงๆเลยว่ามันๆมันไม่เหมือนเก่าไม่แรงเท่าเก่าแม้อาการแรง การรู้การๆเลยคุณๆแล้วคุณจริงๆเห็นๆเมื่อนามตายทีนี้เอาสรุป <trays> อาการอย่างเก่าที่เคยเป็นเคยมีในเราไม่เกิดแล้วเก่าเดี๋ยวนี้ไม่เกลียดแล้วเคยเป็นเคยมีในเราไม่เกิดแล้วๆเราก็จะเห็นความไม่เกิดในเรา นามรูปของความชังความไม่ชอบความโกรธที่จะเกิดไม่เกิดอีก เรเราก็เห็นได้ว่าเราไม่มีแล้วนามรูปคือสิ่งว่าอาการกิเลส เออเราไม่โกรธกันดีๆนะเราไม่ชังกันดีๆ ศัตรูกันมาเสตั้งนานเสียประโยชน์ไปตั้งนั่น ถ้าตรัณะนี่น่ะนามรูปไม่มีแล้วเมื่อไม่มีนามรูปเพราะ สิ่งไม่มีก็คือไม่มีไม่มีมีแล้ววิญญาณก็คือ แต่ถ้าใครเคยฟังอธิบายภาษาอาตมาใช่เออเราก็เคย อาตมาทบทวนในฝั่งเออเสร็จแล้วก็จะเกิดญาณเกิด อยากสัตว์นรกมาเป็นเทวดาจิตวิญญาณที่ต่ําเป็นสัตว์ จิตนั้นจะไม่เวียนกลับไปตกต่ํา เกิดญาณที่เห็นการเกิดการดับการเคลื่อนจุตุปปาตะจุติหรือ คุณเห็นความเกิดความดับจนถอนอาสวะคุณก็รูปรูปคือสิ่ง ที่อาตมาอธิบายให้คนคืออะไรว่านามมันกลายเป็นรูปที่ ปัญญาญาณอธิปัญญาเนี่ยๆนะคิดไม่ค่อยเข้าใจแล้วเข้าใจมั้ยไม่โอ้โห เนี่ยว่าจะฟังเข้าใจมั้ยลืมอ่ะถามตาย กิริยาพอๆใครขยายเป็นภาษาไทยไม่ได้ยากอะไรพยายามยกตัว รู้ตัวป่ะอ้าวกดอ่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้หัวเราอะไรล่ะว่าไม่ใช่เอออธิบายมาถึง ญาณนั้นเป็นญาณแท้ๆเลยทีนี้อยู่ญาณ กิเลสในโอ้กิเลสเรื่องหมดทุกเรื่องเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ๆหยาบๆอันนี้ไม่เป็นไรเอามา จนกระทั่งได้แล้วเป็นโมเดลที่ได้แล้วตัวอย่างนิพพานของนิพพานอะไรคิดติดอะไรติดอะไรตอนนี้จะละกิเลสติดอะไรติดลองดูที แหมโอ้ไปกินมันทําไมไอ้ติมน่ะมันก็เลอะๆอย่างนั้นน่ะฮะอะไรเหม็นอะไร yeah. oh. <Yeah. S 1> ที่เราเองเราเห็นว่าเห็น ทีนี้ก็ลองใช้พิจารณาด้วยปัญญาว่าทําไมเราจะต้องไปติดมันมันอะไร ไม่ต้องไปผสมจาก คืนมันเย็นเข้าไปถึงเนื้อหนังบาทเข้าไปถึงเนื้อโอ้โหไส้ อย่าเป็นของใช้ของกินหรือแม้แต่เป็นเพชรเป็นทองเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่โอ้ อาตมาเคยเปรียบเทียบแม้แต่เพชรกับเกลือเกลือนี่สําคัญ สรุปแล้วเกลือๆวิญญาณ แยกวิเคราะห์ออกมาฆ่าใหญ่แม่นแล้วจริงๆเลยใครจะ ใครมาหลอกอาตมาว่าอัสสวะไม่มีอ่ะกิเลสไม่ๆนะแล้วๆนะอาตมาก็ๆนะคนใช่เค้ากิเลสเค้ายัง คนบ่ลดความๆจริงอาตมาเชื่อเค้าแต่อาตมาไม่เชื่อว่าไม่ได้เพราะยากรู้ว่า อุบสมุติอุบสมสุขสุขอย่างนิพพานสุขยังไงสุขอย่างไม่มีกิเลสนี่สุขยังไง <c oughs> คุณก็รู้ด้วยของตัวคุณเองเป็นปัจจัตตัง เหตุปัจจัยที่เป็นสมุทัยที่ๆฆ่าๆดับๆมันๆพ้นทุกข์แล้วเป็นสุขอย่างนิพพาน อริยทรัพย์นี้เป็นของวิเศษนี่เป็นเคยงมงายเคยแสวงหาเคยเหน็ดเหนื่อยเคยเมื่อยล้าเออเคย เดาก็ได้เดาเอาก็ได้จะไปยากอะไรใช่มั้ยเดาเอาก็ได้แล้วอ๋อพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นคนชนิดอย่างเนี้ยคุณจะเอาหรือไม่เอาทีนี้จริงๆอาตมา <S 2 arrivé> ละแล้วก็ได้โอ้มันอุปสมโมสุขมันอุปสมัสโสหรือโอ้มันยิ่งกว่าสุขไอ้ที่โลกิยะๆแล้ว ให้มีของจริงเถอะพระว่ามันประมังสุขขังเขาแปลว่าสุขอย่างยิ่งเอาไว้นั่น เดี๋ยวนี้ลากกิเลสที่อยาก ไม่เชื่อก็ช่างอาตมาไม่ไม่ไม่ได้ไปบังคับใครไม่งอนมากๆเรื่องมากๆเหตุปัจจัย โอ้อย่างงี้เราวาดภาพไว้อย่างงี้ดีนะไม่อย่างทุทุทุทุไม่เป็นวัตถุรูปแล้วนะ วิมานสวรรค์ที่เป็นวิมานนะนะวิมานแก้ววิมานทองเป็นยัง ก็ฝันไปอยากจะได้เป็นอย่างนั้นแท้จริงมันก็ เป็นวิเพราะว่าพบเป็นพบอุดมการณ์เนี่ยจะพาคุณไปเป็นเนี่ยจะต้อง <c oughs> จึงรองรับที่อาตมายกตัวอย่างประกอบว่าเรา ยิ่งไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาหรืออัตตภาพที่ กระดุมพีเค้าร่ำรวยฉันจะต้องเป็นคนร่ำรวยเหมือนกันเอาภาษาไทยแล้วกันไม่ต้อง แต่เราดูหนังจีนเยอะนี่ใช่หนังไทยไม่ ยิ่งไม่ต้องร่ำรวยเลยมีชีวิตที่ไม่อยากจะหมดเนื้อหมดตัวรวยเลย เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วสตางค์แดงก็ไม่ใช้สตางค์ดิบุกก็ แล่ซ้ําเด็ดอย่างดีด้วยสําเร็จจะเป็น แต่คนเยอะนะคนจนที่ไม่น่าเอาอย่างมันขี้เกียจมันก็จนน่ะ แต่จนไม่มีเงินแต่ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นไม่จนอย่างยิ่งใหญ่เงินแต่ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นกลับกัน ของเรายิ่งดีเท่าไหร่โดยสัจจะมันค่าสูงยิ่งค่าอันไม่มีค่าค่าอันหาค่า ไม่รู้พูดภาษาอะไรแล้วมันทวนย้อนกันไปหมดแล้วนี่แหละมัน ร่างสรรมีคุณค่ามีประโยชน์และไม่ต้องเออมันก็เป็นนะๆแล้วก็ตามจริง ต่อเผาต่อพันอย่างนี้ไปอีกโอ้โหยิ่งอย่างนี้สิยิ่งวิเศษในโลกทําดีเป็นมนุษย์โอ้โหมหากุศลเลย เอาทางเนี่ยเนี่ยก็สอนกันอยู่ทุกวันให้ๆนั่นแหละคนนี้สังขารเพื่อคนอื่นปรุงอาหาร อาตมาพูดอยู่เนี่ยคุณจับสิแล้วก็คุณพยายามใช้ความฉลาดของ <laughs> ยังมันไม่เหมือนกับเหลาอ่ะสบาย นามรูปของกิเลสไม่มีจึงผัสสะไม่มี บริสุทธิ์ภาปริโยทาทาตามุทุกรรมัญญตาปภัสสราอุเบกขาธาตุเนี่ยธาตุอุเบกขา อะไรเป็นปริโยทาตาได้เราก็ไม่ได้เอาไว้อย่างนั้นเพราะเราจะสังขารก็ ไปมันเปลี่ยนยังงงให้มันเป็นอย่างงี้ให้มันดัดงง สร้างสรรค์ในตัวอะไรก็ได้ไม่ดูดไม่เอา ผู้จะบรรลุมันมีมากน้อยต่างกันนั้นไม่ใช่แต่ การสั่งสมบุญที่เป็นโลกุตระสั่งสม รอดได้ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติถูก ยิ่งมีหมู่มีมิตรดีสหายดีสังคม ตามความๆ ผมความรู้อารมณ์จิตของตนปรับอารมณ์จิตของตนของตนอยู่ผู้ฉลาดย่อม ทำคลายความโกรธให้นั่นเป็นความสบายชั้นที่หนึ่งบานแจ่มใสลึกขึ้นทุกเวลาอย่างน้อยที่สุดถ้าเรารู้อารมณ์ของจิตของเราได้ใน เรเราก็เป็นพระโยคาวจรที่มีปัญญารู้ตัว เราก็ทําจิตให้แยกคายเรียนรู้จิต ก็อยู่ที่ความฉลาดก็เป็นผู้ที่ไม่ขาดทุนทั้งทางโลกและทางธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสุขภาปฏิปทาย่อมเพราะเป็น ผู้